เจริญพรอยากยอมทุกๆท่านบัดนี้ถึงเวลาที่จะได้บรรยายทำขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ วันนี้จะพูดซ้ำจากครั้งที่แล้วมาเพราะาเป็นเรื่องจำเป็นมากถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้มันก็คือไม่ได้ถ้าเราทำได้มันก็ผ่านเรื่องมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นให้จำสามสิบอย่างให้จำ ปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดให้จําว่าปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดที่เราจะต้องปฏิบัติหัวข้อก็คือสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนกําหนดหัวข้อให้ดีสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตน ทีนี้พอพูดวอดสิ่งทั้งปวงมันก็จะกินข้อความไปหมดกินข้อความทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งโรคภายในทั้งโรคภายนอกทั้งจั ก, กรวาลมันจึงจะกินข้อความไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงตาก็คือสิ่งทั้งปวงหูก็คือสิ่งทั้งปวง แามโอก็คือสิ่งทั้งปวงลิ้นก็คือสิ่งทั้งปวงกายก็คือสิ่งทั้งปวงใจก็คือสิ่งทั้งปวงนีห่หกแล้วที่นี่ต่อไปสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกไม่จำกัดว่าเป็นอะไรเราจึงเรียกว่าสิ่งก็คือรูปรูปก็คือสิ่งทั้งปวง เสียงก็คือสิ่งทั้งปวงกลิ่นก็คือสิ่งทั้งปวงรสก็คือสิ่งทั้งปวงสิ่งที่มาสัมผัสกายก็เรียกว่าสิ่งทั้งปวงธรรมารมที่ใจคิดก็เรียกว่าสิ่งทั้งปวงนั่นคือภายนอกถ้าพูดถึงเรื่องโลกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นโลกภายในยรูปเสียงกยลิ่นรสโปรตีนธรรมารมเป็นโลกภายนอกสิบสองแล้วต่อไปวิญญาณทั้งหกวิญญาณคือความรู้สึกความรู้สึกตัวนั้นความรู้สึกที่อาตมาบอกว่าร้ายเราท่องให้เราภานา ว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใ่กูถ้าความรู้สึกไม่ใช่กูวิญญาณมันก็มาบวกมาบวกว่าจากักกูวิญญาณเมื่อตายรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทางตาเรียกว่าจากักกูวิญญาณจากักกูวิญญาณก็คือสิ่งตั้งปวง โสตวิญญาณความรู้สึกทางหูก็คือสิ่งทั้งปวงคานะวิญญาณความรู้สึกทางจมูกก็คือสิ่งทั้งปวงเกียวหาวิญญาณความรู้สึกทางลิ้นก็คือสิ่งทั้งปวงกายะวิญญาณความรู้สึกทางกายก็คือสิ่งทั้งปวงใจรู้อารมณ์ต่างๆ ก็คือสิ่งทั้งปวงนี่เรียกว่าวิญญาณหกวิญญาณอกนี่วิญญาณตัวนั้นเนี่ยรับรู้วิญญาณสำหรับที่จะรู้ถ้ารู้แล้วเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นชื่ว่ารู้ผิดถ้ารู้แล้วก็ปล่อยวางสักแต่ว่ารู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ถูกต้องรู้ถูกต้องวิญญาณก็คือสิ่งทั้งปวง อยายตนะภายในยก็คือสิ่งทั้งปวงอยายตนะภายนอกก็คือสิ่งทั้งปวงวิญญาณก็คือสิ่งทั้งปวงโอตารูปจะกูวิญญาณทำงานเป็นทีมเวิร์กก็ทำให้เกิดปฏิสัาทธิสัทธ์จางตาก็คือสิ่งทั้งปวงปสัทจาคือการกระทบ การกระทบทางตาก็คือสิ่งทั้งปวงการกระทบทางหูก็คือสิ่งทั้งปวงการกระทบทางจมูกก็คือสิ่งทั้งปวงการกระทบทางกายก็คือสิ่งทั้งปวงการกระทบทางใจก็คือสิ่งทั้งปวงที่ปัจจะปัจจระปัจาะก็มีหกเทนีสุดท้ายก็คือเวทนา เวทนาที่เกิดทางตาเมื่อตาเห็นเข้าไปชอบเข้าไปเกลียดรือว่าเข้าไปเฉยๆเรียกว่าสิ่งทั้งปวงเวทนาที่เกิดทางตาก็คือสิ่งทั้งปวงเวทนาที่เกิดทางหูก็คือสิ่งทั้งปวงเวทนาที่เกิดทางลิ้นก็คือสิ่งทั้งปวง เวทนาที่เกิดทางกายก็คือสิ่งตั้งปวงเวทนาที่เกิดทางใจก็คือสิ่งตั้งพวงสามสิบพอดีสิ่งตั้งพวงนี้สามสิบพอดีห้าหกสามสิบสามสิบพอดีนี่เราจะต้องจำให้ได้เหมือนกับจำสูตรคูนต้องจำให้ได้พอพูดว่าสิ่งตั้งพวงคิดได้แล้ว ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรสิ่งทั้งปวงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเทียงกลิ่นรสปุถะปะธรมมารมตะกูวิญญาณโถ ต, ตะวิญญาณกานะวิญญาณชิวา่าวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณปัจจารทางตาปัจจาะทางหูปัจจาระทางจมูกปัจจาะทางลิ้นปัจจาะทางกายปัจจาะทางใจเวทนาทางตาเวทนาทางหู เวทนาทางจมูกเวทนาทางลิ้นเวทนาทางใจนี่คือสิ่งทั้งปวงที่นี่หัวข้อว่าสิ่งทั้งปวงเกิดดับทุกอย่างเกิดดับเพราะมันเกิดดับมันจึงว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนจะว่างหรือจะไม่ว่างมันอยู่ที่ตรงนี้ เราสนใจเรื่องความว่างว่าทำอย่างไงให้มันว่างเราต้องรู้จักสิ่งทั้งปวงแล้วก็รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเกิดดับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันเกิดแล้วไม่ดับผิดธรรมชาติดับแล้วไม่เกิดก็ผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ จึงเรียกว่ามันว่างมันว่างจากตัวตนทุกๆตัวมันจะว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนทีนี้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มันไปเชื่อมกันเหมือนกับสะพานเชื่อมอย่างนั้นสะพานเชื่อมคือไปเชื่อมที่ตันหาที่ตันหา เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสิ่งทั้งปวงว่าสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนเราก็ภาวนาอวัยเมื่อไปถึงจุดนี้ก็ภาวนาอวัยคือการภาวนานะี่ยมันจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปถึงจุดไหนจุดไหนจุดไหนมันก็จะเกิดมัตจะมาจำได้ที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่ามันไม่มีอะไรมากมันก็อยู่ที่ตรงนี้ มันจะดับหรือมันจะไม่ดับมันอยู่ที่ตรงนี้พอ น, นี้พอปฏิบัติมาถึงตรงนี้เราก็รู้ได้คิดได้ว่าท่านเคยย้ำเคยบอกที่ตรงนี้ว่าสิ่งทั้งพวงเกิดดับว่างจากตัวตนทีนี้สะพานมันเชื่อมกันอยู่มันเชื่อมระหว่างเวทนากับตัญหา เวทนาตัณหาอุปาทานพพชาติชรามรณะโสกปริเท ว, วะทุกขทโทมณัสาอุปยาตมันเชื่อมกันอยู่ที่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเรารู้เคล็ดลับด้วยการปฏิบัติว่าสิ่งทั้งพวงเกิดดับว่างจากตัวตนจักสะพานเป็นการจักสะพานออกเสีย แต่ไม่เกิดช่องว่างขึ้นมาที่ตรงนั้นระหว่างเวทนากับตัณหาดังนั้นมันก็เต่เต้าไปไม่ได้กิเลสมันเต่เต้าไปไม่ได้มันไม่มีสะพานเชื่อมทีนี้เมื่อมันมีสะพานเชื่อมมันก็เลยไปถึงตัณหาไปถึงอุปาทานไปถึงพพไปถึงชาติไปถึงจรามรณะไปถึงทุกข์ มันก็เลยไปถึงทุกทุกครั้งเพราะมันมีสะพานเชื่อมเราก็หาไอว้วไอ้ที่เชื่อมมันไม่ได้ว่าก็เชื่อมที่ตรงไหนก็เชื่อมไว้ที่ตรงไหนไอ้สะพานนี้นี่ลก็เชื่อมเชื่อมระหว่างเวทนากับตัณหาฉะนั้นเราก็จักสะพานออกคือเอาเวทนาให้ห่าง หางจากปัญหาก็คือให้มันดับใช่ให้มันดับสิ่งทั้งพวงเกิดดับว่างจากตัวตนเห็นไหมสิ่งทั้งพวงเกิดดับว่างจากตัวตนนี่คือปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอด น, นี่เราปฏิบัติปฏิบัติที่ตรงนี้ให้มันหนักแน่นให้เห็นให้เห็นทุกอย่าง ให้รู้จักอาณตนัภายในหรือโลกภายในให้รู้จักโลกภายในให้รู้จักโลกภายนอกโลกภายนอกทั้งหมดนะมันเป็นโลกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะธรรมารมมันเป็นโลกภายนอกมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นโลกภายนอก คือธรรมชาติภายนอกแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโลกภายในเป็นธรรมชาติภายในธรรมชาติภายในมันไปต่อกับธรรมชาติภายนอกแล้วต้องมีตัววิญญาณเป็นตัวช่วยจะ ก, กูวิญญาณตัวความรู้สึกทางตาก็มาช่วยทางตาโถตาวิญญาณก็ วิญญาณทางหูเข้ามาช่วยในการที่จะให้รับรู้ว่ามันเสียงอะไรหรือว่าวิญญาณในการที่จะเห็นรูปให้รู้ว่ารูปอะไรรูปอะไรเห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวเห็นดาวที่มันเกิดใหม่เห็นดาวที่มันดับมันเกิดดับนักวิทยาศาสตร์ที่ก็ตั้งกล้องดู เขาดูดาวเกิดดาวดับดาวเกิดดาวดับดาวเกิดดาวดับเขาดูอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่เห็นว่างเขาไม่เห็นว่าเห็นแต่ดาวเกิดเห็นดาวตั้งต้นแล้วก็ดับแล้วก็ดับไปเห็นตั้งต้นเห็นตั้งต้นเห็นที่สุดของดาวมันเยอะแยะงั่นในจักรวาลนี่มันเต็ม มันเต็มไปด้วยดาวเต็มไปด้วยดาวทางนั้นนี่ดาวแต่ละดวงแต่ละดวงนักวิทยาศาสตร์ก็อยากที่จะรู้ว่าดาวดวงนั้นมีคนอยู่หรือไม่มีอากาศไหมมีน้ํำไหมมีสัตว์มีชีวิตไหมอะไรไหมถ้าไปรู้มันทําไงรู้มันดับทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้แล้วไปรู้มันทําไง เรารู้แต่ว่ามันเกิดดับดาวมันก็เกิดดับดวงอาทิตย์มันก็คือดาวดวงหนึ่งดวงจันทร์ก็คือดาวดวงหนึ่งโรคที่เราอาศัยอยู่นี้ก็คือดาวดวงหนึ่งมัน ก, ก็เกิดดับเกิดดับมันเกิดดับมันว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นรูปนี่รูปตาเกิดดับรูปเกิดดับ ตาเกิดดับว uh ่างจากตัวตนรูปเกิดดับว่างจากตัวตนจากคูวิญญาณความรู้สึกทางตาเกิดดับว่างจากตัวตนผัดจาการกระทบการกระทบเกิดดับออวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนแค่ก็ผัดจาเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตน นี่มันเกิดดับอยู่อย่างนั้นทางตาก็เกิดดับอย่างนั้นทางหูในเรื่องของเสียงเสียงประเภทไหนประเภทไหนก็รู้ด้วยหูทางนั้นไม่ว่าเสียงที่เขาสรรหลัดเสริญเสียงงินทาเสียงเพลงไปเราะไม่ไปเราะก็รู้ด้วยหูทางนั้นก็าทำมาธรรมชาติก็ททำให้เรียบร้อยแล้วหูเกิดดับ หูเองก็เกิดเมื่อได้ยินเสียงเรียกว่าหูเกิดพอเสียงนั้นดับไปก็เรียกว่าหูดับหูดับหูเกิดหูดับโสตวิญญาณเกิดโสตวิญญาณคือความรู้สึกทางหูดับหูเกิดหูดับเสียงเกิดเสียงดับ โจตาวิญญาณคือความรู้สึกทางหูเกิดความรู้สึกทางหูดับสามอย่างทํางานร่วมกันก็ทาให้เกิดปักสานี่มันพร้อมแล้วเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วก็สามอย่างนั้นรวมกลุ่มกันเข้าทางานก็ทาให้เกิดปักสาห์เรียกว่าการกระทบการกระทบเต็มรูปแบบทางตาก็มีการกระทบที่เต็มรูปแบบ ทางหูก็มีการกระทบที่เต็มรูปแบบมันกระทบที่นี้ทำให้เกิดผัดาผัษาคือการกระทบการกระทบทางไหนก็ได้เราเรียกว่าผัด飒แฉะนั้นผัษาเกิดผัษาดับแล้วผัษาว่างผัษานั่นก็ว่างมันก็ดับไปอีกผัด飒เกิดผัดาดับผัดาว่าง ดีนี้พอเกิดภัสสาขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาที่เราจะต้องระวังวันที่พูดเมื่อคืนก่อนเรื่องของสติปัฏฐานสี่ที่ต้องออกมาใช้ที่ตรงนี้ต้องเอามาใช้ที่เวทนาที่ตรงนี้แหละเกิดจุกเวทนาเรียกว่าภัสสาเกิดวัสสาดับและเวทนาเกิดเวทนาดับ เวทานาว่างถ้าหากว่าเข้าไปยึดถือในเวทานาเวทานานั้นมันก็จะไม่ว่างมันก็จะไม่ว่างเพราะฉะนั้นต้องเห็นเกิดเห็นดับเวทานาเกิดเวทานาดับเวทานาว่างทีนี่ถ้าหากว่ามันไม่ว่างมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก เวทนานั้นแหละมันเกิดแล้วเกิดอ <Yeah. S 1> nah ีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกมันเกิดทางหูแต่พอครั้งที่สองมันไม่เกิดแล้วทางหูมันเกิดทางใจเกิดทางใจเกิดไม่รู้กี่ครั้งเกิดจนนับกันไม่ท้วนเกิดไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับมันไม่ว่างเห็นมันไม่ว่างก็เห็นว่าเวทนานั้นมีตัวตน เห็นว่าเวทนามีตัวตนสุขเวทนาก็เราเข้าไปชอบมันนี่เรียกว่าขาดสติพอมาถึงตรงนี้แหละขาดสติก็ขาดสติทางตาก็เข้าไปยึดถือรูปขาดสติทางหูก็เข้าไปยึดถือเสียงขาดสติทางจมูกก็เข้าไปยึดถือกลิ่นขาดสติในทางลิ้นก็เข้าไปยึดถือรส ขาดสติในทางกายก็เข้าไปยึดถือในสิ่งที่มาถูกต้องมากระทบทางกายขาดสติทางใจก็เข้าไปยึดถือคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดขาดสตินี่คือขาดสติเรียกว่าขาดสติปัจฐานสี่ฉะนั้นสติต้องให้เร็วที่ตรงนี้สติจะต้องวอยมากพอถึงที่ตรงนี้ก็สติจะต้องดึงปัญญามา ปัญญานี่ที่เราอบรมนี่ที่เราอบรมก็ดีที่เราปฏิบัติก็ดีที่เราภาวนาก็ดีมันเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาปัญญานั้นเราเอามาเก็บไว้รอบตัวเลยปัญญานะเอามาเก็บไว้รอบตัวเหมือนกับคนที่เขาเล่นคลองวงเล่นคลองวงคือดนตรีเล่นคลองวงแล้วมีัวดรอบตัว หรือว่าเหมือนกับว่าเรามีอาวุธมีอาวุธไปรอบตัวหมดนะคนสมัยก่อนทหารเวลาก็ออกเขารบก็จะต้องมีอาวุธอยู่ข้างหน้ามั่งอยู่ข้างหลังมั่งอยู่ในมือมั่งแต่เดียวนี้ไม่มากมีระเบิดมีปืนเอ็มสิบหกพอแล้วแต่เมื่อก่อนอาวุธมาก ที่นี่เราเปรียบปัญญาเหมือนกับอาวุธปัญญาเหมือนกับอาวุธพอตาเห็นพอตาเห็นรูปเกิดความรู้สึก่างตาแล้วก็เกิดเวทนาทางตาเกิดการกระทบทางตาเกิดเวทนาทางตาเราเกิดเวทนาทางตาขึ้นมานี่เกิดเวทนาขึ้นมานี่เรากเอาอาวุธอาวุธที่เราฝึกว่ายนั่นแหละ มาบอกมาบอกกระซิบบอกว่าไอ้สุขเวทนามันก็เกิดดับมันว่างจากตัวตนเหมือนกันตาก็ว่างจากตัวตนรูปก็ว่างจากตัวตนจักรวิญญาณก็เกิดดับว่างจากตัวตนผัสสาะก็เกิดดับว่างจากตัวตนเวทนามันก็เกิดดับว่างจากตัวตนเหมือนกันพอเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนคือสุขเวทนา สุขเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนพอเห็นว่าว่างจากตัวตนก็ชักสะพานเลยที่ตรงนั้นเมื่อชักสะพานเลยมันก็ไปต่อเป็นตัณหาไม่ได้เพราะเราจักสะพานเสร็จแล้วที่ตรงนั้นนี่คือการชักสะพานให้กิเลสมันตกคูตกร่องอยู่ตรงนั้นมันก็เลยไปไม่ได้ล่อยไม่ตลอดสายมันก็เลยดับทีที่ตรงนั้นดับเทียด เสียที่เวทนาที่ตรงนั้นนี่คือตัวดับตัวดับไปใกล้กรวนดูเถอดนั่นคือการดับทางตาการดับทางหูก็มีหนเดียวกันนั่นแหละการดับทางหูการดับทางจมกูกดับทางลิ้นดับทางกายดับทางใจต้องสติต้องไปขนไปขนเอาอาวุธคือปัญญา แล้วก็ออกมาจัดการที่เวทานาตัวนั้นพอถึงเวทนาจัดการที่ตัวนั้นก็เริ่มที่ปัรษาก็สตาร์ทที่เวทนาก็จัดการเลยโคนอาวุธมาทันเอามาทันเหตุการณ์ที่ตรงนั้นมอทันเหตุการณ์ที่ตรงนั้นเวทนามันก็ดับเวทนาก็ดับพระวัตใจมันก็ดับธรรมารมมันก็ดับ มโนวิญญาณก็ดับว่างใจดับใจเกิดใจดับใจว่างธรรมารมเกิดธรรมารมดับธรรมารมว่างมโนวิญญาณเกิดมโนวิญญาณดับมโนวิญญาณว่างปัจจาทางใจเกิดปัจจาทางใจดับปัจจาทางใจว่างเวทนาทางใจเกิดเวทนาทางใจดับ เวทนาทางใจว่างว่างว่างก็เป็นการจักสพานจักสะพานเพราจักสพานเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อกับตัญหาได้เวทนากับตัญหามันแยกกันแยกกันที่ตรงนี้นี่เราหาพบแล้วเพราะเราหาพบที่ตรงนี้แล้วเรารู้แนวแล้วต่อไปก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติจะให้มัน มันเกิดทุกข์ก็อย่าให้มันเกิดพอไปถึงตัวนั้นมันดับทันทีทางตาก็ดับทางหูก็ดับทางจมูกก็ดับทางลิ้นก็ดับทางกายก็ดับทางใจก็ดับให้มันดับที่ที่ตรงนั้นพอดับที่ตรงนั้นตัณหาก็ไม่มีอาหารอุปทานก็ไม่มีอาหารตัณหาก็ดับตัณหาก็ดับ กรูบาทานก็ดับปอบก็ดับชาติก็ดับชรามรณะโศตกาปริเทวะดับมันผอมมันไม่มีอะไรกินตัณหามันไม่มีอะไรกินมันผอมลูกน้องมันก็เลยผอมไปตามๆกันเพราะเราจักสะพานออกเสียแล้วไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้มันไม่มีสะพานไม่มีสะพานที่ตรงนั้น S <S <an> เหมือนกับว่าด่านที่อยู่ระหว่างประเทศเมื่อเราปิดด่านเราปิดด่านที่ที่ตรงนั้นปิดด่านที่ที่เวทนาก็เป็นอนันเราไม่ต้องทํามาค้าขายกันที่ตรงนั้นดับทางโน้นก็ไม่ต้องค้าขายทางนี้ก็ไม่ต้องค้าขายดับตรงนั้นก็ดับตรงนั้นมันก็จะสงบเย็นที่ตรงนั้นมันจะมีความสงบเย็น พปว่างเนี่ยมันก็จะสงบเย็นทางตานี่ทางตาตาเกิดตาดับตาว่างตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจากขู่วิญญาณเกิดจากขูวิญญาณดับจากขู่วิญญาณว่างผัสสะเกิดผัสสะดับผัสสะว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างเนี่ยว่างแล้วมันก็จะสงบเย็นที่นี้ มันไม่ได้อยู่กับตหาไม่ได้อยู่กับอุปาทานมันมีความสงบเย็นให้เราจําให้ได้ปฏิจจสมุปบาทนี่ทุกคนจะต้องจําเวลาไหว้พระสวดมนต์เอาวงจรปฏิจจสมุปบาทไปท่องไปท่องเอาไปอ่านเลยไปอ่านาวิชาเป็นปันจจัยทําให้เกิดสังขาร ังขานเป i, for ็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามรูปทีนี้ไอนีป ja er años, mort, ้ปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดแล้วก็เริ่มจากนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดสรายฐนะสรายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัจสาปัจสาเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดจรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานะสาอุปยาตนี่เป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดนะเป็นปัจจัยปัจจัยทำให้เกิดทุกข์ที่นี่สายดับอันนี้สายดับ ที่พูดให้ฟังนี่คือสายดับแต่ถ้าดับจริงๆตามสูตรนะดับจริงๆตามสูตรเพราะวิชาดับสังขารจึงดับตามสูตรเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสราญตาจึงดับเพราะสรายตาดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปาญาตจึงดับทุกขโทมนัสสะอุปาญาตดับก็เพราะชาติดับออกมาจากข้างล่างถ้าออกมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะ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 สราญตนาดับก็เพราะนามารูปดบับนามารูปดับก็เพราะวิญญาณดาบับวิญญาณดับก็เพราะสังขารดาบับสังขารดับก็เพราะอาวิชชาดาบับอวิชชาดาบับอวิชชาดับสังขารก็ดบับนี่เอาขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทวนไปทวนมาทวนไปทวนมา ใช้เวลาตั้งเจ็ดวันจนที่พระองค์จะรู้ใหม่ๆใช้เวลาตั้งเจ็ดวันทีนี้อันนี้คือเทคนิคเทคนิคในการที่จะดับทั้งหมดดับทั้งหมดทีนี้เราจะดับครึ่งทอนมันก็เหมือนกันเราดับครึ่งทอนคือดับมาจากนามารูปนามารูปคือกายกับใจพอกายกับใจและวสรายยตนะที่บอกว่าสลายยตนะนันดับสลายตนะ คืออายตนะหกอายตนะภายในอายตนะภายนอกเง น, นดับนั่นคือครึ่งท่อนเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครึ่งท่อนอนี้พอเรารู้ครึ่งท่อนเราก็ขยเยอบขึ้นไปข้างบนก็เยือบขึ้นไปข้างบ น, บ น, งบนว่าน้ำรูปคือกายกับใจมันก็ดับกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรากายว่างใจว่างเมื่อไม่ใช่เรามันก็ว่าง ทีนี้พอนามรูปแล้วต่อไปมันก็วิญญาณวิญญาณก็เหมือนที่บอกให้ฟังแล้วว่าความรู้สึ ก, ค ว, สกความรู้สึกไม่ใช่กู้ว่างจากตัวตนความรู้สึกไม่ใช่กูถ้ามันไม่ใช่กูมันก็ว่างจากตัวตนนี่มันว่างจากตัวตนถ้าความรู้สึกว่ากู้มันก็ไม่ว่างมันมีตัวตนถ้าความรู้สึกว่ากู้มันก็มีตัวตน แต่ความรู้สึกว่าไม่ใช่กูมันก็ว่างจากตัวตนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเคล็ดลับเคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นเรายิ่งปฏิบัติยิ่งภาวนาป่อยมันยิ่งเห็นเคล็ดลับมันมากขึ้นเห็นเคล็ดลับมันมากขึ้นเราจะภาวนาอย่างไรเราจะดูมันที่ตรงไหนไม่ใช่ให้ภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูก็แช่อยู่นั้นแช่อยู่นั้น ความรู้สึกไม่ใช่กูมันก็ว่างจากตัวตนมันก็ว่างความรู้สึกนั้นมันก็ว่างว่างอะไรว่างจากกูก็คือมันไม่มีกูนั่นเองเราต้องดูหลักเกณฑ์ในภาษาหลักเกณฑ์ในภาษาด้วยภาษาที่เราเองเข้าใจได้เมื่อเราเข้าใจได้มันก็ค่อยๆขยายมันก็พิสดารออกไปพิสดารออกไป พิสดานออกไปเรื่อยๆเ่ความรูสม้สึกไม่ใจกูแต่ความรู้สึกไม่ใจกูความรู้สึกนั้นว่างอะไรว่างก็คือจิตว่างจิตว่างจิตว่างจิตว่างนี่ก็อวิชชาเนี่ยมันดับก็อวิชชาดับก็จิตว่างถ้าความรู้สึกเป็นกูอวิชชาไม่ดับ อ, อวิชช า, า, า, า, า, า, าไม่ดับก็อวิชช า, า, าเกิดมันก็ไม่ว่างดังนั้นมันก็ไม่ว่าง นั่นเรียกว่าขยักเราก็เยิบขึ้นไปข้างบนแล้วก็เยืบไปตามเรียกว่าอนุโรมอนุโรมปฏิโลมปฏิโลมปฏิโลมนะขึ้นข้างบนอนุโลมนั้นลงข้างล่างพระลงข้างล่างปฏิโลมจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอนุโลมจากข้างบนลงไปข้างล่าง นี่เราต้องจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรของเล็กๆ็กน้อยๆอย่างนี้ต้องจําให้ได้อย่างไรเราต้องจําให้ได้เราเอาไปอ่านทุกวันทุกวันทุกวันก่อนนอนไหวพระตรทมนั้เราก็อ่านมันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจยิ่งเราปฏิบัติเราภาวนามันก็ยิ่งเข้าใจ แค่มันค่อยๆแตกฉานออกไปแตกฉานออกไปแตกฉานออกไปถ้าอาตมาไม่ภาวนานี่ก็ไม่สามารถที่จะแตกฉานได้ไม่สามารถที่มานั่งบอกนั่งสอนญาติโยมก็ได้แต่นี่เพราะว่าแต่ละข้อแต่ละตอนนี่ต้องภาวนาภาวนาให้มันแตกฉานด้วยตัวเองก่อนพอภาวนาแตกฉานด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเอง กาวใจด้วยตัวเองปล่อยวางด้วยตัวเองว่างด้วยตัวเองก็เลยมาสอนญาติโยมมาสอนญาติโยมได้ทีนี้เราไม่ถึงกับว่าไปสอนคนอื่นเราภาวนาให้เราดับทุกขตัวเราได้ก็ใจได้แล้วให้ทันกับเหตุการณ์ให้แก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ได้ในชีวิตประจําวันของเราเราแก้ปัญหาที่ตรงนั้น นี่เรียกว่าเงื่อนต้นของปัญหาก็อยู่ที่ตรงนี้เงื่อนปลายของปัญหาก็อยู่ที่ตรงนี้มันรวมกลุ่มอยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเราจะต้องจําให้ได้ทีนี้วิธีใ้การที่จะไม่ยึดมั่นถือมัน่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ต้องภาวนาอีกตาไม่ใช่กูหูไม่ใช่กูจมูกไม่ใช่กู ลิ้นไม่ใช่กูกายไม่ใช่กูใจไม่ใช่กูภาวนาอีกต้องสร้างองค์ภาวนาขึ้นมาใหม่อีกการที่เราจะรู้รายละเอียดอะไรนี่เราต้องเอามาภาวนาเราจะรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมาภาวนาก็ภาวนาภาวนาภาวนาท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยต้องไปเรื่อย มันก็แตกฉานแตกฉานออกไปเองเราภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูเป็นภาวนารวบยอดรวบยอดทั้งอวิชชาทั้งสังขารแล้วก็ทั้งวิญญาณทั้งวิญญาณที่นี่หนักไปทางอวิชชากับวิญญาณมากกว่าสังขารยังมีอิทธิฤทธิ้น้อยกว่ามีอิทธิฤทธิ้น้อยกว่าวิญญาณวิญญาณมันมีฤทธิ์มากมีฤทธิ์มาก สังขารก็มีฤทธิ์พอสมควรเหมือนกันเช่นว่ามโนสังขารอย่างนี้มโนสังขารคือใจที่มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งทีนี้พอมันปรุงแต่งเราก็รู้ทันมันรู้ทันรู้ทันที่ไหนใจธรรมารมมันก็อยู่ในสูตรในสูตรนั้นอีกแล้วใจธรรมารมมโนวิญญาณปัจจั เวทนาเห็นไ้ยใจเกิดดับว่างจากตัวตนเราดูเคล็ดลับใจเกิดดับว่างจากตัวตนธรรมารมสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจอะไรก็ได้ที่เราคิดที่เราคิดึ้นมาใจเกิดดับว่างจากตัวตนธรรมารมเกิดดับว่างจากตัวตน มโนวิญญาณคือความรู้สึกทางใจเกิดดับว่างจากตัวตนทีนี้สามอย่างนั้นเมื่อรวมกลุ่มกันเข้าก็ทำให้เกิดผัสจะทางใจผัจจัเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาทางใจเกิดดับว่างจากตัวตนนี่เห็นไหมแต่อย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นโรคประสาท ก็เรารู้ทันเรารู้ทันเรารู้ทันโอ้แล้วไปคิดมันทำไมไม่เห็นมันได้เรื่องอะไรไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรเลยคิดไล้มันเป็นทุกข์ทำไมมันไม่ได้เรื่องอย่างนั้นบอกตัวเองก็เท่ากับว่าเราจักสะพานอย่างนั้นเราก็เลยทเออ า, าเรื่องอื่นเนีภาวนาเรื่องอื่นดอยู่กับองค์ภาวานาเนื่อย่างนี้เรียก ว, ว่าเราไม่ต้องไปเป็นทุกข์นี่มันคิดูเวียน คิดเวียนคิดในเรื่องสุขเวทนาโกเวียนคิดในเรื่องทุกเวทนาโกเวียนคิดในเรื่องอัทุกขมาสุขเวทนาโกเวียนเวียนอยู่นั้นเวียนเป็นกฎของปฏิจจาระมุปาบาทพอเวียนนันก็เกิดตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนาปัจจาวทนาตน า, ต า, นาอุปาทานปปจติแล้วไปลงที่ตัวทุกทุกทีเลย ไปลงที่ตัวทุกตัวนั้นทุกทีเวียนเวียนไปลงที่ตรงนั้นไม่มีที่ลงที่อื่นไม่มีที่ลงฉะนั้นเราจะต้องจักสะพานมันเสียจักสะพานจน่ไปคิดทำไมคิดอะไมันโง่ทำไมสุขเวทนาขอนิจจังอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนไปคิดเรื่องทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ไม่ใช่กู ทุกเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนอทุกข์กามทุกเวทนาคืออวิชชาคือตัวอวิชชาเองนั่นเองก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจ า, ากตัวตนมันว่างทางนั้นกิเลสมันก็ว่างสติปัญญามันก็ว่างแต่สติปัญญามีไว้สําหรับที่จะรู้กิเลส เพื่อที่จะดับกิเลสแต่ปัญญาเองเราก็ก้าไปยึดถือไม่ได้เครื่องมือไม่ใช่ต้องแบ ก, กไว้ประจำใช้เวลาจาเป็นที่จะต้องใช้ไม่ใช่เอามาแบกไว้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมรู้อะไรแล้วก็เอามาแบกไว้หมดไม่ใช่อย่างนั้นเอาวางไว้เวลาจาเป็นก็หยิบใช้สติดึงมาสติเป็นมือสตินี่เป็นเหมือนมือ ให้ก็ไปหยิบอาวุธคือปัญญานั้นออกมาใช้เอามาแก้ปัญหานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับของปฏิบัติที่จะให้รู้ธรรมะถ้ามันก่อยรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปทีนี้ถ้ามันดับหมดถ้ามันดับหมดดับหมดก็คือตาก็ดับรูป ก, ก็ดับ จากผูวิญญาณก็ดับปัจจาร์ก็ดับเวทนาก็ดับผูก็ดับเสียงก็ดับโสตวิญญาณก็ดับปัจจาร์ก็ดับเวทนาก็ดับจมูกก็ดับกลินก็ดับสาระวิญญาณก็ดับปัจจาร์ก็ดับเวทนาก็ดับลิ้นก็ดับ รถก็ดับจิวหาวิญญาณก็ดับภัษาก็ดับเบตนาก็ดับกายก็ดับไม่จะรอให้มันตายให้มันดับก่อนกายมันก็ดับคือเราไม่เข้าไปยึดถือไม่มีอุปาทานในเรื่องของกายว่ากายกู้ถ้าไม่ใช่กายกู้แล้วกายนั้นดับถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือกายก็ดับ โอตับพาสิ่งที่เมากระทบกายก็ดับวิญญาณที่เกิดทางกายก็ดับปัจจาก็ดับเวทนาก็ดับเทีนี่ก็ไปใจใจก็ดับธรรมารมก็ดับมโนวิญญาณก็ดับปัจจาก็ดับเวทนาก็ดับเราพยายามที่จะให้มันดับให้หมดตัวไหนเกิดตัวนั้นก็ให้ดับตัวไหนเกิดก็ตัวนั้นให้ดับ ให้ดับหมดให้ดับหมดถ้าดับหมดแล้ก็ว่างหมดถ้าดับไม่หมดมันก็ยังว่างไม่หมดฉะนั้นพระโสดาบันก็ว่างไม่หมดเห็นไหมพระโสดาบันก็ว่างไม่หมดพระสกิตาคามีก็ว่างไม่หมดพระนาคามีก็ว่างไม่หมดไปว่างหมดอยู่ที่พระอรหันต์พระอรหันต์ก็แปลว่าเว้นเว้นก็คือว่างหมดไม่เอาอะไรหมด จิตไม่เอาอะไรหมดแม้แต่จิตเองก็ไม่เอาในจิตเองก็ไม่เอาสิ่งที่อยู่นอกจิตที่จิตเข้าไปรู้ก็ไม่เอาคือไม่เอาอะไรหมดนั่นเรียกว่าดับหมดดับหมดแต่ก็ว่างหมดว่างหมดเป็นอันว่าจักรพรรดิ์ถาวรเลยจักรพรรดิห้ามเดินทางนี้โดยเด็ดขาดนะโดยเด็ดขาดห้ามห้ามเด็ดขาดทางนี้ นั่นเรียก ว, ว่าชักสะพานชักสะพานออกเสียชักสะพานคือจักตาหูจมูกลิ่นกายใจรูปเสียงกลิ่นลดโปรตีนพัรมารมณอิน ญ, ญาณทั้งหกปัจจายทั้งหเวทนาทั้งหกชักสะพานเป็นการชักสะพานออกตัณหาก็คอยอยู่นั้นค่อยคอยจนมันแห้งเหี่ยวตายกันไปเป็นแถวตัณหาก็ดับตายตัณหาก็ตาย อุปาทานก็ไม่เหลืออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นก็ตายพบก็ตายกรมมพบรูปมพบรูปมพบตายหมดชาติก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วไม่ต้องเกิดอีกแล้วเพราะความรู้สึกไม่ใช่กูเนี่มันจะไปเกิดอะไรอีกล่ะความรู้สึกไม่ใช่กูแต่ความรู้สึกไม่ใช่กูเมื่อความรู้สึกไม่ใช่กูมัน เห็นวลความรู้สึกไม่ใช่กูความแก่มันจะมาเป็นกูได้ยังไงความแก่มันก็อยู่ที um ่ความรู้สึกความเจ็บมันก็อยู่ที่ความรู้สึกความตายมันก็อยู่ที่ความรู้สึกความสวยความรวยความจนความดีความงามอะไรมันก็อยู่ที่ความรู้สึกชักความรู้สึกนั้นออกเสียเมื่อความรู้สึกนั้นมันไม่มีมันว่าง มันว่างความรู้สึกไม่ใช่กูมันก็เลยว่างความเกิดก็ว่างความแก่ก็ว่างความเจ็บก็ว่างความตายก็ว่างอืมันว่างหมดแล้วไม่ดีเลยอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยมันสบายมันก็พูดว่าสบายมันก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยก็มันไม่มีคําที่จะมาพูดเือมันเบามันเบา มันสงบเย็นมันสงบเย็นถ้าพูดว่าเป็นสังขารก็เรียกว่าดับสังขารดับสังขารดับความรู้สึกว่ากูดับความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางวาจาความรู้สึกทางใจดับความรู้สึกก็คือดับสังขารดับสังขารถ้าสังขารไม่ดับมันก็ปรุงแต่ง พงแต่งว่ากูพูดว่ากูทําว่ากูคิดนี่ถ้าดับความรู้สึกนั่นเสียได้ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้คิดได้พูดได้ทําได้แต่ไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็คือไม่มีตัวกูนั่นเอง เจตนาเป็นเหตุให้ทำกรรมเจตนานี่คือคือตัวกิเลสเจตนาคือตัวกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมเจตนานี่คือตัวกิเลสทีนี้มันไม่มีเจตนาแล้วอย่างที่อาตมานั่งพูดอยู่ตรงนี้มันไม่มีเจตนาว่าจะพูดไปล้วงกระเป๋าใครนี่มันก็พูดด้วยความหวังดี พูดโดยความอยากจะให้ญาติโยมทุกคนได้รู้รู้แล้วอไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วทุกคนก็จะได้ดับทุกได้นี่เรียกว่าไม่มีเจตนาที่จะไปล่วงกระเป๋าใครไม่เหมือนกับที่เขาพูดแล้วก็ไปโยคนนั้ น, ไ ป, น, น, นไปโยคนนี้เหมือนกับพูดในงานศพนั่นเรียก ว, ว่าพูดล่วงกระเป๋าหรือว่าโยมจะต้องทําบุญได้มากๆถ้าทําบุญแล้วนู่นอันตรวันก็อรออยู่แล้ว แล้วเห็นตัวเองไปเห็นไปเห็นสวรรค์ไปหลอกสวรรค์นี่เรียกว่าขายตัวขายตัวไปสวรรค์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีผลของกรรมคือวิบากฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ดีพระที่สอนสอนเพื่ออะไรสอนเพื่อโยมหลุดพ้นหรือว่าสอนเพื่อโยม มัวเมาแล้วก็มาหลงตัวเองมาหลงคำพูดจิตเตวมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหเพราะฉะนั้นนั่นเน่ยคือเจตนาเจตนาเจตนามันเป็นกรรมเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมนั่นน่ยคือสังขารตัวสังขารตัวที่ต่อมาจากอวิชชานะอวิชชามันมีตัวกู ตัวกูเป็นปัจจัยให้กูคิดกูทำกูพูดนั่นมันกลายมาเป็นสังขารแล้วอวิชชากลายรูปกลายร่างมาเป็นสังขารแล้วเป็นกายสังขารเป็นวัจีสังขารเป็นโมโสังขารเป็นกูอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนมันเอาจิตมาเป็นกูพอเอาจิตมาเป็นกูแล้วเอากายมาเป็นกูเอากายมาเป็นกูเอา ว่าจามาเป็นกูเอาใจมาเป็นกูทีนี้พอต่อมามันก็เอาความรู้สึกเอาความรู้สึกมาเป็นกูก็คือตัววิญญาณทั้งหกนั่นแหละวิญญาณทางตาคือความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจ มันก็ไปเอาความรู้สึกนั้นมาเป็นตัวกู้พอเอาความรู้สึกมาเป็นตัวกู้ทีไหนมันก็เกิดทีนั้นเกิดอะไรเกิดกู้เห็นไหมพอเอาความรู้สึกมาเป็นกู้มันก็เกิดกู้ทันทีเลยฉันั้นอาตมาจึงบอกบอกบอกบอ ก, บอกว่าให้ภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่กู้เหมือนกับว่าเราถอนต้นไม้ ถอนขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็นานๆเขานถอนขึ้นตั้งต้นเลยขึ้นทั้งต้นทีนี้เอาเออกมาโปกควยก็ได้เอาเลื่อยทําอะไรเทก็ได้มันก็ตายมันก็ตายฉันั้นเราภาวนาไปเรื่อยภาวนาทีหนึ่งก็ถอนทีหนึ่งภาวนาทีหนึ่งก็ถอนทีหนึ่งความรู้สึกไม่ใช่กู มันก็กระเทือนอวิชชามันกระเทือนสังขารมันกระเทือนวิญญาณมันกระเทือนกันไปหมดกระเทือนกันไปหมดนี่เรียกว่าให้ถอนกินยาถอนที่ให้นี่เป็นเป็นยาถอนเรียกว่ายาถอนพิษเป็นยาถอนพิษไอ้ความรู้สึกไม่ใช่คูเนี่ยคือยาถอนพิษแต่ความรู้สึกว่าคูนั้นมันคือยาพิษ <sugg> ยาพิษที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่พร่องเลยไม่พร่องเลยพอมีความรู้สึกว่ากูเอาจิตมาเป็นกูเอาไอ้นั่นมาเป็นของกูอ้อนี่มาเป็นของกูเอากายมาเป็นของกูเอาวาจามาเป็นของกูเอามือท่าเอาอะไรมาเป็นกูเป็นของกูอย่าพิษงั้นเรากินยาพิษเข้าไปเรากินยาพิษเข้าไปตั้งแต่เล็กๆจนโตจนโตขนาดนี้ เรายังไม่รู้ว่าเรากินยาพิษก็ไปกินยาพิษก็ไปวันนึงไม่รู้กี่ครั้งพิษก็เลยเข้าไปสะสมสะสมสะสมทีนี้ต้องกินยาถอนพิษกินยาถอนพิษตัวความรู้สึกไม่ใ่กูความรู้สึกไม่ใ่กูกินมันทุกวันทุกวันทุกวันวันละหลายเวลากินวันละหลายเวลาพอกินวันละหลายเวลาต่อไปพิษนั้นมันค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลง ตรงใต้ที่สุดหมดพิษหมดพอพิษหมดคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์เลยพิษหมดแต่ถ้าพิษยังไม่หมดเกลี้ยงก็เป็นพระโซดาบันไปก่อนเป็นพระสกิทาคามีไปก่อนเป็นพระนาคามีไปก่อนพอเป็นพระอรหังพิษเป็นพระอรหันพิษหมดเกลี้ยงพอพิษหมดเกลี้ยงนั้นเรียกว่าดับหมดว่างหมด นั่นคือดับหมดว่างหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดคือน่ายธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจคือน่ายธรรมชาติหมดรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภัตตารมคือน่ายธรรมชาติหมดจากกูวิญญาณโตตาวิญญาณกาณาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมโนวิญญาณคือน่ายธรรมชาติหมดปฏิสัททางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กูไม่ใช่ของกู คือนายธรรมชาติหมดเวทนาทั้งหมดนั่นแหละเวทนาที่เกิดทางตาเวทนาที่เกิดทางหูทางจามกูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่เอาแล้วเวทนานั้นมันลวนเต็มไปด้วยยาพิษคือน่ายธรรมชาติคือน่ายเป็นเจ้าของเดิมไปเสียหายไปให้หมดให้เหลือนี่เรียกว่ากินยาดับพิษกินยาดับพิษอะไรประจําวันเลย จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกินไปเรื่อยๆก็คือภาวนาไปเรื่อยเพราเราภาวนาไปเรื่อยๆพิษนั้นมันค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแล้วมันค่อยๆหมดต่อไปมันก็หมดพิษพอหมดพิษบุคคลผู้นั้นก็หายดีร่างกายก็สะดวกอ้วนท้วนสมบูรณ์จิตใจก็ปกกตินี่หมดพิษแล้วพิษของกิเลสตนามันหมดแล้ว เห็นไหมนี่เรียกว่าต้องกินยาดับพิษก็คือความรู้สึกว่าไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกเมื่อมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่กูความรู้สึกที่ไม่ใช่กูน่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วมันว่างว่างจากอะไรมันก็ว่างจากตัวกูความรู้สึกเนี่ยมันว่างจากตัวกู คือความรู้สึกที่ไม่ใช่กูนะมันว่างจากตัวกูเอน็นี่ถ้าเพิ่มตัวกูก็ปล่อยพิษมันก็ข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพิษก็เช่นว่าพอไปจากนี้แล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้ภาวนาในวันๆพิษก็ข้าวไปอีกข้าวไปอยู่เต็มอีกเต็มอีกก็ต้องมาอีกต้องมาปฏิบัติอีกปฏิบัติอีกแต่ถ้าไปกินของแสลงก็พิษมันเกิดดีก็ะไรอีกอยู่อย่างนั้นดังนั้นเราต้องกินยาบ่อยๆ กินมันบ่อยๆยาความรู้สึกไม่ใช่กูเนี่ต้องกินบ่อยๆเมื่อกินบ่อยๆแลวจะทาให้พิษนั้นมันสางซาไ่อยแล้วก็จะได้หายจากโรคนี่มันเป็นอย่างนั้นจากนั้นให้ญาติโยมจาให้ดีกันนี้ให้จาให้ดีให้ออกไปปฏิบัติให้จริงจงจังๆเนี่ยก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองเ ความเบาความส ง, งบเย็นเป็นอย่างนี้เองความดับทุกเป็นอย่างนี้เองมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพูดมาก็พอสมควรขอความสุขความเจริญในธรรมในการ น, นี้จงเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติจงทุกๆุกท่านเดิน